ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในที่คณิกายศีลขันธวัชก็มาจบที่มาหาศรีนาทสูตรคือสรุปง่ายๆว่าในมาหาศรีนาทสูตรนั้นก็มีประเด็นหลักๆอยู่ สีห้าประเด็นด้วกันประเด็นแรกก็คือมีการกล่าวหาว่าพู้เจ้าสุงติการบำเพ็ญตบะทุกๆอย่างซึ่งก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำที่ไม่จริงจากนั้นก็สรงอธิบายเห็นว่า สิ่งที่ทรงแสดงนั้นเป็นเรื่องที่ทรงรู้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตบะของบุคคลบางพวกด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ล่วงจากษุสามาัญของมนุษย์คือหมายความมาผลปรากฏเหล่านั้นมนุษย์ทั่วๆไปก็จะไม่สามารถเห็นได้เว้นไว้แต่ท่านที่มีทิ ป, ปจักษุ เราสามารถรู้ได้ว่าคนที่บังเกิดในอบายคือทุกติมินิบาตในะรกแล้วก็ท่านที่บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เนี้ยเพราะกรรมอะไรคือ่ยความมาการเกิดของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจุบันขณะนั้นแต่มันก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุก็ย้อนกลับไปสู่เหตุ ตัวนั้นก็เป็นอดีตโดยเฉพาะยังยิ่งก็คืออดีตชาติเจนสมุมุตวนากอตายไปเกิดในอบายเดยวันนี้แหละก็ ต, ตั้งปัญหาถามว่านายกอตายไปเกิดที่ไหนก็ตอบว่าไปเกิดในอบายถามว่าประเหตุอะไร ก็เพราะว่าเขาประพฤติบะบางอย่างที่ในขณะที่เขาประพฤติอยู่นั่นแหะไอกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วกลับเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นปริมาณของโลภะโทสะโมหะสูงขึ้นความหมายความมาย้อนไปสู่ปัวกรรม สีธรรมกรรมเหล่านั้นมาจากอะไรล่ะก็มาจากกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโลภ ก, กับหลงคือหมายความมาต้องการผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่เข้าใจว่าเหตุอะไรที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นแล้วท่านก็ปฏิบัติไป เป็นการยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ยอมผ่อนคลายความยึดถือของตัวเองพอถึงจุดหนึ่งก็ตายไปด้วยจิตใจที่เศร้าหมองแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติไปบังเกิดในทุคติก็เป็นไปตามสูตร ท, ที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุคติ ทนี้ถ้านายขอไปเกิดในสุกติสุกติมันก็มียิ่งย่อนแตกต่างกันสวรรค์ก็มีชั้นที่แตกต่างกันพวกนี้ก็เรื่อยไปถึงพรมโลกแหละก็บอกว่าขณะเนี้ยนายขอบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เอาตีต่างว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึง ก็ตั้งปัญหาถามว่าทําไมนายขอจึงไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวบนึงก็ตอบว่าเพราะเขาบำเพ็ญตะบะติดในขณะที่เขาบําเพ็ญเนี่ยธรรมะที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดน้อยถอยลงไป ต, ตามกําลังความสามารถทีนี้ถ้ถามว่าธรรมะเหล่านัน้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็ในที่นี้ทรงแสดงว่าศีลสัมปทาจิตตสัมปทาปัญญาสัมปทาบางช่วงก็ทรงแสดงว่าอาริยมรรคมีองค์แปประการบางช่วงก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ตั้งไว้ในทางที่ชอบก็สรุปว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ก็คือเป็นอาการของจิตที่ลดความโลภความโกรธความหลงลงไปก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ติแต่ว่าเป็นการแสดงความจริงที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลซึ่งตกนรกแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เขาเกิดด้วยเขาเองโดยกิเลสเขาเองด้วยกรรมเขาเอง โดยธรรมะของเขาเองโดยกุศรสนละค ร, กกรมของเขาเองนั้นก็เป็นตอนหนึ่งคือเป็นประเด็นหนึ่งโดยทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ติในการบาเพ็ญตบะทุกอย่างหารอกตบะก็คือการบำเพ็ญเพียรด้วยความเชื่อที่เป็นพื้นฐานก็คือสัสตจตรรทิฏฐิความเห็นว่าสัตว์นั้น เป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนตายจากอะไรแล้วก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันอีกอย่างหนึงก็ถือว่าสัตว์ตั้นตายไปแล้วขาดศูนย์ขาดศูนย์ไปหมดเลยขาดศูนย์บางสิ่งแต่แนเรล่านี้ที่จริงเป็นเหตุให้เขาไม่เจริญกุศลทั้งสองฝ่ายแต่บางพวกเขาก็เจริญนะ คือหมายความว่าในกรณีที่ถือว่ามีการจุติแปรผันได้เขาจะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาจุติแปรผันไปบังเกิดในพหภูมิที่เขาต้องการเขาก็บำเพ็ญความดีอย่างนั้นหรือว่าในกรณีที่ว่าขาดสูดบางสิ่งบางสิ่งไม่ได้ขาดสูญ แล้วอะไรเป็นเหตุให้ไม่ขาดศูนย์และบังเกิดในสุคติเขาก็บำเพ็ญเพียรอย่างนั้นแต่ตอนนี้ถ้าดิ่งไปเลยราะคนเราตายจากอะไรก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการจุติแปลผันหรือขาดศูนย์หมดไปเลยขาดศูนย์หมดไปเลยก็ไม่รู้จะทำความดีทำไมเพราะความดีมันก็ขาดศูนย์ไปด้วยชีวิตมันก็จบลงที่เชิงตก่กอน ทีนี้ถ้าหากว่าเที่ยงแท้มันก็ทําหรือไม่ทําก็คือกันเพราะว่าถ้าบังเกิดในทุ ก, กติก็ทุกติอยู่ยงนั่นแหละถ้าบังเกิดในสุกติก็สุกติอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นการสะท้อนกลับซึ่งการสะท้อนกลับของทิฏฐิเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปอีกว่าอทิฏฐิแต่ละข้อเนี่ย ม, มาจากอะไร เราเห็นว่าสัสตตชิจิมาจากกามตัณหาภวะตัณหาในกรณีที่ถือว่ามีการจุติแปรผันอุจจาระินั้นก็มาจากวิภวะตัณหาในกรณีที่ถือว่าขาดสู่หมดคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็น เราก็เห็นว่าเออมันก็เป็นกระบวนการทางจิตตำหลักของปัจจัยการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสัจรูแล้วก็ส่งแสดงเอาไว้ทีนี้ก็อีกประการหนึ่งซึ่งส่งแสดงคือหมายความว่าที่เขาอ้างมามันเยอะมากไอ้ตาบาตต่างๆที่ ปรากฏในคัมภีร์เนี่ยมันมีเยอะมากก็สงสรุปว่าผู้มีตบะมีการเลี้ยงชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้บางคนมีตบะเพราะใส่ตะบะมีการบวชเป็นอาเซโลกเป็นต้นก็จะเลี้ยงชีวิตด้วย ของเศ้าหมองก็เยยังคนอื่นให้ลำบากด้วยระการต่างๆมีการกินหญ้ากินขี้อัวเป็นต้นคือการเป็นตะบะบางอย่างเนี่ยก็น่าสงสารนะ น, นะก็เรียกว่าสุน ok ok ัขขวัตเด็โคขาวัตสุนัขขวัตก็คือเรียนแบบสุนัขหมดเลยใช้ชีวิตแบบสนะุนัขแหะโคขวัตก็เรียนแบบโคทั้งหมดเลย ก็เคยมีปริาพายโชคคนหนึ่งมากราบทูลไอ้ไม่จ่าเจลกนี่แหละคือมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาบอกเป็นเพียนอย่างนี้ผลต่อไปนี่จะเป็นอย่างไงเขาจะตายไปแล้วไปเกิดในที่ไหนพุทธเจ้าก็ห้ามว่าอย่าถามเลยเราไม่สึไม่ประสงค์จะพยากรณ์คือไม่ประสงค์จะพูดกลัวเธอจะน้อยใจกลัวเธอจะเสียใจ ท่านก็พยายามอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าไปเกิดเป็นสุนัขหรือไปเกิดเป็นโคตามที่จิตมันเสพคุณน่ะคือจิตมันพอใจชอบใจในวิถีชีวิตแบบสุนัขวิถีชีวิตแบบโคอันนี้มันก็ไปสอดรับกับเรื่องของโกติโกตุหลิกอย่างที่เคยเล่าไว้ว่า ก่อนจะตายนั้นพอใจในความเป็นโคชื่นชมในความเป็นโคเพราะว่าได้กินอาหารอิ่มกว่าท่านที่หิวโหยมาหลายวันแล้วพอกินอาหารเข้าไปจริงก็เกิดตายแล้วก็บังเกิดในครันของสุนัข ก, ก็กลายเป็นลูกสุนัขเพร า, าจิตที่เสพพุ่นนี่มันมีความสําคัญ คือปรณ์จะตายในจิตมันจะเหวี่ยงไปยึดอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นกขาเรียก็เป็นอาสานกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายเพิ่นการมันเป็นเพียนในลักษณะนี้ก็ทรงแสดงว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขเพราะมีบุญ น, น้อยเขาบังเป็นทุจริตสามแล้วก็บังเกิดในนรกทีนี้อีกคนหนึ่ง อาศัยการบำเพ็ญตะบะนั้นแต่เป็นผู้มีบุญน้อยก็ย่นในลาบสักการะเขาเข้าใจว่าบัดนี้คนเช่นเราเนี่ยไม่มีแล้วยกย่องตนไว้อยู่ในฐานะสูงคิดว่ายังลาบให้เกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็บำเพ็ญทุดจดิตสามด้วยอำนาจแห่งอนเนนาคือการแสวงหาที่ไม่สมควร ก็โดยวิธีหลอกลวงชาวบ้านนะเรียกว่าเป็นการสแสวงหาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรจนวาพระไปขอต่อชาวบ้านที่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาก็ขอไม่ได้หรือรับผลประโยชน์จากชาวบ้านแล้วก็ไปทำงานรับใช้ชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นเนรศนา แต่หากว่าชาวบ้านจะมาบําเพ็ญกุศลภายในวัดพระก็ต้องจัดสถานที่ให้เด็กจัดสถานที่ให้เนตรจัดสถานที่ให้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นกเนรเนาเป็นการทำหน้าที่คนตนเองไม่ใช่มุ่งรับใช้แต่ว่ามุ่งตอบสนองศรัทธาของชาวบ้านแต่นี้ก็อีกคนหนึ่ง เลี้ยงชีพถ้าหมองจริงแม่อาศัยตาบะแต่ว่าเป็นผู้มีบุญน้อยก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขก็คิดว่าความเป็นอยู่สบายย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เขาแก่เราเพราะไม่ได้ทำบุญไว้ในก่อนเอาล่ะ ต, ตั้งใจทำบุญแนละ้วคือคือเมื่อก่อนนะก็เพียเพ้ยนๆไปแต่ว่าหลังก็กลับมือกลับตัวได้ ควาเพนบุญก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้แต่ในอีกพวกหนึ่งเนี่ยเลี้ยงชีพโดวยวิธีเนี่ยโดวยวิธีทรมานร่างกายต่างๆก็เป็นผู้มีบุญยอมได้การดำเนินชีวิตด้วยความสุขก็คิดว่าความเป็นอยู่สบายยอมเกิดแก่เราเพราะเป็นผู้ทำบุญไว้ในก่อนแล้วก็ละ การบำรเพ็ญอนเนสนาคือการแสวงหาที่ไม่สมควรก็หมายความมาเลี้ยชีพโดยสมาชีกนั่นเองก็บำเพ็ญสุจริตแต่แล้วก็ไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทีนี้อีกคนหนึ่งบำเพ็ญตะบะมีทุกน้อยประกอบด้วยความประพฤติภายนอกเป็นดาวบท หรือเป็นปริภาชกที่ปกปิดยัไม่ได้ปัจจัยที่ชอบใจเพราะว่ามีบุญน้อยบางเพนทุจริตด้วยอำนาจแห่งอนเนสนาก็ไม่ได้ความสุขก็ตายไปก็จะบังเกิดในนรกเราก็จะเกิดมาน่าขึ้นมาว่าคนเช่นเราหรืออย่างลาบสักการะให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอนเนสนาคิดส่งส่งรดอนาฏวิยาวิชาทิฐิว่า ความสัมผัสแห่งปริภาชกสาวรุ่นผู้มีขนอ่อนนุ่มมีความสุขอันนี้ก็หมายความวาจิตเหนี่ยวนึกตึกนึ ก, นกถึงกามหรือถึงความดื่มดำในกามที่เป็นอดีตหรือก็ปัจจุบันก็แล้วแก่แล้วแต่แหละทีนี้จิตมันก็หมุกมุนโดยอำนาจการมาราคะเขาบำเพ็ญทุจริตสามจะตกนรก ตัวอีกคนหนึ่งมีทุกน้อยมีบุญน้อยก็คิดว่าเราไม่ได้ชีวิตด้วยความสุขเพราะไม่ได้ทําบุญไว้แม้ในการก่อนแล้วก็กลับใจเปลี่ยนใจบวาเป็นสุจริตทั้ง3ประการก็คือกายสุจริตวิจิตสุจริตพโนสุจริตนั่นแหละแล้วพวกนี้ตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ นี่ก็แสดงว่าเป็นอย่างเงี้ยคือสรุปว่าถ้าบำเพ็ญตะบะผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวได้หรือว่าตะบะนั้นมันไม่ห้ามห้ามจนเกินไปก็มีโอกาสที่จะบังเกิดในสุขติแต่ถ้าระยึดมั่นถือมั่นบำเพ็ญตะบะผิดใช้ชีวิตที่เศร้าหมองใช้การอาชีพในทางที่ทุจริต โอกาสที่จะบังเกิดในนรกมันก็สูงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมที่แต่และชีวิตได้กระทำเอาไว้เพราะในติเหมาโหล่นี่มันไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันก็ยกย่องเหมาโหล่มันก็ไม่ได้เหมือนกันหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือ ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วติคน <out> ที่ควรติเมื่อเขามีการกระทาที o ่ควรติหมายความมาท่าจติก็ติทิกรรมคือการกระทําของเขาการพูดของเขาการคิดของเขาทีนี้ใช้ปัญญาพิจารณาติเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทาที่ควรยกย่อง ก็หมายความยกย่องกรรมยกย่องการกระทำของเขาเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นสา ก, กลนกยกรนขอนคอนงอในจอนาฉาอะไรก็ตามนะเขาประพฤติสุจริตด้วยกันจะยิ่งหรือหย่อนกว่ากันก็เป็นอีกเรื่องนึ่งแต่ว่ากรรมก็จำแน่คนเหล่านั้นให้บังเกิดในสุขตินี่ก็เป็น เป็นหลักการที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใครครวรเทียบเคียงโดยรอบคอบในขณะเดียวกันการจะให้การยอมรับนับถืออะไรใครอย่างไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือแล้วก็จากนั้นก็ทรงแสดงมาตรฐานหลัก ทางหลักก็คือศีลหาประการ น, นี่เราก็เจอบ่อยนะฮะคือยังไงยังไงเราก็เจออยู่บ่อยแหละก็ดังนั้นเวลาพูดถ้าก็าถามเป็นกรณีบุคคลปัญหาว่าพูดไปแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ทรงแสดงเพราะว่าพระพุทธเจา้าจะเน้นที่ประโยชน์เป็นตัวหลัก หมายความมาเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ถ้าไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็จะไม่แสดงทีนี้มาถึงที่ส่งพูดถึงการเทียบเคียงหมายความมาเทียบเคียงครั้งแรกนี่เอาศาสน า, ากับศาสน า, ามาเทียบเคียงกันเทียบเคียงครั้งที่สองนี่เอาธรรมะกับธรรมะมาเทียบเคียงกัน หมายความมาคำสอนของศาสดาหเหล่านั้นกับพระธรรมในพระพุทธศาสนามาเทียบเคียงกันประการที่สามพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของสาวกนะฮะของพุทธบริษัททั้งสี่ประการนี่แหละกับสาวกของศาสดาหเหล่านั้นแล้วก็ให้วิญยูชนที่มีเหตุผลมีสติปัญญา สามารถแยกๆจะแยกแยะจำแนกอะไรได้อย่างชัดเจนก็จะยกย่องพระาศาสดายกย่องพระธรรมและยกย่องพระสงฆ์โดยมากนะฮะคือจะให้ยกย่องทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็มีอคติเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็ตัวอย่างว่า ผู้รู้เห็นความสำเร็จแห่งพระสรีระของพระบูมีพระภาคเจ้าหรือความธรรมเทศนาแล้วกล่าวว่าลูกอนผู้เจริญเป็นลาบของสาวกท่อ ง, ทองเที่ยวอยู่ในสำนักของาศาสดาเห็นปานนี้ก็ชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในพระสงค์พร้อมทั้งพระพุทธสมบัติจังนั้นก็บรรู้ทั้งหลายเห็นอาจาระก็คือความประพฤต และโคจรก็คือสถานที่ที่ท่านเหล่านั้นเที่ยวไปแล้วการใช้ยาบทของพระสาวกทั้งหลายโดยยกตัวอย่างเช่นมีการก้าวไปมีการถอยกลับเป็นต้นของภิกษุทั้งหลายแล้วคนเหล่านั้นก็จะกล่าวว่ายาบทของพระสาวกผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ในสำนัก ว็ลาคุณนี้คือความสงบของศาสดาจากมีเพียงไรอันนี้ยังเคยนานมาแล้วนะฮะเคยยกตัวอย่างพระสากตะพระสากตะตอนนั้นเขานำเขานำเอาวังคีสะกุลบุตรซึ่งมีมนตราที่สามารถเคาะศีรษะของคนที่ตายแล้ว แล้วก็บอกได้ว่าคนนี้จะไปบังเกิดในที่ใดก็นำไปให้แสดงแก่พระราชาพอดีพระพุทธเจ้าประทับอยู่แถวภูเขาคิจกูฏภาษากตะปรารถนาที่จะนำคนเหล่านั้นไปสู่สิ่งที่ดีงามกว่าจึงแสดงปาฏิหารให้คนเหล่านั้นเห็น ลอยขึ้นไปอากาศแล้วก็ลงมาแทรกลงไปในแผ่นดินแล้วโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินก็ลอยขึ้นไปบนอากาศอีกแล้วก็แทรกลงมาบนแผ่นดินบางคนสนใจได้ชี้แล้วคนไม่สนใจวังขีสะท่านก็ลงไปในแผ่นดินแล้วก็แทรกขึ้นแท่ประบาทพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายบังคมแท่ประบาทพระพุทธเจ้า ชาวบ้านเขาก็ตื่นเต้น่ะนึกว่าท่านสาคตะนี่มันสุดสุดแล้วคือสุดยอดแล้วมันไม่มีใครแล้วที่เหาะได้แล้วดำดินได้เนี่ยไม่มีดอกเอา้าแต่ว่ากลายเป็นสาวกของศาสดาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นศาสดาหรอกตอนนั้นเขาก็เลยเลิกสนใจวังคีสะก็พร้อมใจกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวังคีสาก็ไปด้วย คนเหล่านั้นก็ศรัทธาพร้อมอยู่แล้วสนใจพร้อมอยู่แล้วพระเจ้าก็ส่งแสดงธรรมกถาให้ศาสต ร, ร์ก็ศรัทธาเลื่อบใสประกาศตนเป็นถึงพระตันตรายเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่บางทีศษสตรนี่ก็ยังโลภอยู่ก็ยังอยากได้ไอ้ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระสากตะแสดงออกมาเนี่ย เลยก็แต่กราบทูลถามแล้วไปแม่เจ้าไปคว้าพระพุทธเจ้าแลว้วพเจ้าก็ต้องการทดสอบให้เคาะศีษะครบทั้งทั้งห้าศีสะนะฮะเกิดในอบายเกิดในสวรรค์เกิดในพรหมโลกแล้วศีรีะพระอาหารหันต์ปรากฏว่าสี่สีษะแรกเนี่ยท่านท่านบอกได้พูะเจ้าก่อนโมทนา พอศีรษะที่ที่ห้าตอบไม่ได้พระอาหารหัน์ไม่มีที่เกิดในสุดก็ขอบวชเพื่อจะเรียนการต่อมาท่านก็ บ, บรรลุมรรผลเป็นพระอรหันนะครับนี่เราจะเห็นว่าการเห็นพระสาวกในสะท้อนกลับไปที่ศาสดาการเห็นคุณค่าของธรรมะก็สะท้อนกลับไปที่ศาสดา แล้วในขณะเดียวกันเมื่อพระเมื่อพุทธบริษัทเนี่ยปฏิบัติตามทรมาคำสั่งสอนของพระศ า, ศาสดาคนก็ศรัทธาเลื่อมใสในสาวกเหล่านั้นที่โดยเสด็จร อ, อยุคนบาดพระศาสดาวันก่อนก็มีคนส่งเอกสารที่คล้ายๆจะมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับ พูดถึงมติของนักการาศาสนาที่เป็นนักปรารถ์นะนักปรารถ์ในาศาสนาต่างๆและส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวช ด, ด้วยก็ประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สอบถามความเห็นกันว่าบรรด า, าศาสดาทั้งหลายเนี่ยใครเห็นว่ า, าศาสนาองค์ใดที่ยอดที่สุดคือาศาสนาไหนที่ยอดที่สุด เอาประวัติศาสตร์มันเทียบเคียงกันพระโกดรนักบวชพวกบาดหลวงพวกอาร์ตบิชอปอะไรแต่อะไรของคริสเนี่ยหรือแม้แต่ของอิสลามวลงมตริร่วมกันเลยบอกว่าพระพุทธศาสนายอดเยี่ยมที่สุดวันโอกาสดีๆวันหลังก็จะเอามาอ่านในขวงเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีสักน้ากว่าแต่นันเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตนของพระสาวกจนถึงพระาศาสดาจากอกดีตการนานไกลมากๆสองพันโดมหรอปีบันไดพิสูตสาศาสดาพิสูตรธรรมะแล้วก็พิสูตถึงสาวกที่ไม่เคยเอ า, าศาสนาไปเป็นเงื่อนไขสร้างสงครามรบกับใครในโลกเลย เกิดก่อนคนอื่นเขานะนอกจากาศาสนาพราหมณ์าศาสนายิวแล้วเราก็เกิดก่อนเขาแต่เราก็ไม่เคยเอ า, าศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการทำศึกสงครามไปเบียดเบียนเขียนฆ่าทำลายล้างใครนี่ก็คือพระอาจารย์ท่านต้องการเชีย้ยเห็นว่าพอมองเนี่ยอเจลกะ เ, จละเนี่ยอเจละพอมองท่านก็เกิดศรัทธาเรื่องใส ในเรียบทในต่างๆคือหมายความว่ามองจากพระาศาสดาไปความสงบนี้ลูกศิษย์สงบขนาดเนี้ยสาวกจะสงบขนาดไหนก็จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงค์การสรนเริญศาสดาพระาศาสดาก็เป็นการสันเริญพระสงค์การสันเริญพระสงค์ก็เท่ากับสัรเสริญพระาศาสดาเหมือนกัน พระผู้มีพระกาศว่าพึงสังเส ร, ริญเราโดยมากในข้อนั้นในในในยะแม้ทั้งสองประการในการสังเส ร, ริญพระสงฆ์ก็เป็นการสังเส ร, ริญพระศาสดาเหมือนกันพระสมนโคดมทรงละธรรมเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไปนี้ก็เป็นความประสงค์ในข้อนี้มาความคณาจารย์ เจริญทั้งหลายที่เป็นบรรยูชนการพิจนารณาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจทีนี้ต่อมาท่านก็อธิบายถึงวิรัตนะฮะวิรัตคือเจตนาเป็นเครื่องมือในการงดเว้นวิรัตก็พวกวิรัตเจตสิกก็คือพวกสัมมาวาจาสมากระปัญตะสมาชีวะก็ด้วยสัมปัตตวิรัตคือหมายความมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มองเห็นเป็นโทษบาปที่ไม่ควรประพฤต์ก็ก็งดเว้นในขณะนั้นนั้นรืเห็นสิ่งดีงามที่ควรแก่การประพฤติก็ลงมือประพฤติปฏิบัติในขณะนั้นแต่นี้เป็นการพูดชั้นศีลนะฮะเป็นภูการพูดชั้นศีลก็พูดในกรณีขางการงดเว้นแล้วก็สมาทานวิรัตก็คือวิรัตอย่างที่ชาวบ้านเขาสมาทานศีลกัน เสตุขาตะวิรัตหรือสมุทเฉตวิรัตเป็นการงดเว้นด้วยการทำลายเหตุที่ให้เกิดบาปเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดซึ่งอาจจะไม่ทุกข้อหรอกหรือยังนึกว่าปัญหาสังคมเราที่เราพูดรึงคนจนได้ศึกษาเอกสารในหนังสือพิมพ์ ก็เรียกว่าอ่านจบทั้งเล่ม่แล้วก็สนใจตัวเลขที่เกียกษษษษษษ่ยวกับเศรษฐกิจเกียก่ยวกับจังหวัดที่ยากไร้สิบจังหวัดมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าไปอยู่แถวอีสานเกือบหมดเลยบางจังหวัดเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีนี่มันเยอะมาก บางจังหวัดก็ลดน้อยลงไปก็ยังนึกนึกนะว่าถ้าเราอุดรูรั่วล่ะอุดรูรั่วว่าส่วนมากการตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้โทษก็มักจะอยู่ในกลุ่มของคนยากจนสรองดเว้นปวกบบยามุกได้ล่ะแล้วเขายันธรรมากิน แน่นอนว่าการขยันธรมากินนั้นเวลานี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าเรามั่นขยันจริงๆคือรู้อะไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวขอเชี่ยวชาญถิดจะเกิดผลเนี่ยคือยังมองว่าคนเราก็สามารถที่จะตั้งตัวได้แต่อุดรุ่นนะครับอุด ร, รุ่วลงไปได้แต่ตามปกติเท่าที่พบเห็นมาแล้วมันจะไปอยู่ที่คนเหล่านี้มาก ตื่นเช้าขึ้นมาก็กินกาแฟแล้วก็ก็มีของแกล้มนะฮะปลาทงโกะอะไรต่างก็แกล้มกัไปอันนั้นก็ก็ดีแหละก็จำเป็นต้องมีทีนี้ถ้าเรามองดูว่าเออไอที่เรากินแต่และ ว, วันเนี่ยมันประหยัดให้น้อยลงได้ไหมไปกินอนื้อื เช่นว้าต้มข้าวต้มมีกับมันจะอิ่มดีกว่าไหมราคามันจะถูกกว่าไหมอันนี้ก็ต้องทดลองดูนะฮะคือมันอะไรแพงกว่าอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็ไปซื้อบุหรี่แล้วก็แถมไปเครื่องดื่มมาบุงกำลังตอนเย็นขึ้นมาก็ตั้งบงกว้งเล่ากันอันนี้มันเป็นรอยรั่ว เป็น ร, รั่วถ้าเราเออมันมองเห็นมนเป็นโทษอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านเขาก็เป็นโทษอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยมันก็เห็นกันดูบางวันก็เสียงทะเลาะด่าทอระหว่างสามีกับพันยาก็เห็นเห็นกันอยู่ถ้า ง, งดเวลามันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วกแก้ปัญหาสังคมได้แต่ปัญหา แต่การต้องทิ้งบ้านเรือนทิ้งครอบครัวไปหากินไกลๆอย่างที่เรานิยมกันคือยังมองมาทางออกในที่จริงมันมีเยอะแต่ว่าคือเราไปเล่นหิดเล่นหินกันมากเกินไปก่อสร้างกันแล้วก่อสร้างกันอีกก่อสร้างกันรู่นๆแล้วเกินนะสําหรับประเทศกเกษตรกรรมในไม่น่าจะก่อสร้างมาโหุยใโตหมู่ลานกันขนาดนั้นหรอก แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ได้ซะก่อนแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ซะก่อนแล้วค่อยว่าปัญหาเศรษฐกิจระดับใหญ่ๆอย่างน้อยก็แบ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็ฝึกผู้จานานการในแต่ละด้านฝ่ายการบริการต่างๆ เช่นพวกอะไรวพวกบุรุษพยาบาลพวกพยาบาลพวกอะไรสปาอะไรต่างๆพวกอาหารทํากับข้าวพวกนี้ส่งออกต่างประเทศได้ทั้งนั้นมันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจลงไปได้ตัวเลขเหล่านี้ที่จริงมันได้ยินมานานแล้วได้ยินมานานแล้วพูดถึงตัวเลขคนยากจนในประเทศไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วโง่จนเจ็บเราแก้ไม่ได้ แต่ถ้าเรามองถึงศีลที่สงวางไว้ถึงเหตุเกิดของศีลเนี่ยเสตุคาตวิรัติหรือว่าสมุจเฉตวิรัติเนี่ยหมายความว่าไอ้ฆ่าความชั่วร้ายบางอย่างลงไปก็ไม่ถึงกับหมดหรอกแต่ว่าอะไรก็าตามที่มันหาคำตอบไม่ได้มันได้ประโยชน์อะไรอ่ะเนี่ยสุบรีวันตโมตโมูลโตมูลเนี่ยมันได้ประโยชน์ บางทีก็สูบบุหรี่ไปจากนั่งมวนมวนนั่งสูบชุสูบมวนหนึ่งประมาณสิบกวนาทีแล้วถ้าวันหนึ่งเรามวนทั้งสิบม้วนเนี่ยทำยังไงม้วนละสิบมือชีมวน ล, ละสิบครั้งงานมันหายไปเยอะนะฮะงานเนี่ยมันหายไปเยอะเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ ท, ที่ที่น่าที่น่าคิดมากแต่ว่า มันต้องเกิดจากสานึกของคนเราเองในการวิรัตเหล่านี้สำปัตะวิรัตเนี่ยเราก็คิดได้ทาได้อะไรควรเว้นเราไม่เคยตั้งใจงดเว้นหรอกเราไม่เคยสมาทานศีลมาแต่มันไม่ดีเราก็งดเว้นทีนี้บางอย่างมันเห็นว่ามันสร้างปัญหามาตลอดเลยเลิกมันไปเลยเลิกดื่มเหล้าซะเลย เลิกสูบบุหรี่ซะเลยเลิกเที่ยวกร้งคืนซะเลยเลิกกินพวกสิ่งเสพติดต่างๆพวกยาบำรุงอะไรอะไรต่างๆนี่นะนั่นก็ช่วยอะไรได้เยอะแต่เป็นเรื่องแปลกที่ว่าคนไม่ค่อยพูดกันพระพูดไปก็อย่างนั้นแหละคนที่มาฟังพระพร ะ, พระเทพเนี่ยเป็นคนดีๆทั้งนั้น คนที่มีปัญหาเขาก็ไม่คืยฟังเอชวายัางไงอ่ะคือโยนในพระก็คงลำบากนะะเพราะว่าพระนี่คล้ายๆก็โดนปิดประตูบล็อกเอาไว้ตาจะเทศโยมก็ต้องอาราธนานะถ้าไม่อาราธนานี่ก็เทศไม่ได้ทีนี้ถ้าตัดขาดเนี่ยตัดขาดในบ า, บางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าตาทางกววิรัต ตทังก็ประหานนะก็ละด้วยกรัรในเรื่องนั้นนั้นเรื่องบางเรื่องนี่ละละเสียบงบางอย่างก็ข่มใจไว้เสียบ้างข่มใจแต่านานๆก็ดีถ้าไม่นานก็ข่มใจไว้บ้างห้ามใจไว้เสียบ้างทีนี้ก็พรงนี้เขามีสี่ห้าระดับนะครับตะทังกั อาหานี่คือละได้ด้วยเรื่องนั้นๆกรณีนั้นๆเรื่องนี้น่าโกรธอยากโกรธเลยอภัยเขาอย่าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยเราก็ลดปัญหาลงได้เยอะเรื่องนี้ก็ต้องห้ามใจต้องข่มใจนะข่มใจให้ได้ น, น, นานๆหน่อยหรือไม่งั้นก็ไปถึงสมาธิไปเลยหรือไม่งั้นก็มีธรรมะเป็นหลักใหญ่่ะ ยังมีเมตตาก็ดีมีสัจจะก็ดีมีคันติก็ดีมีอะไรก็ดีนะสักข้อเนี่ยกุศลน้ธรรมอย่าง<ม>อื่นที่<ม>ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็กเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแต่นี้ถึงจุดหนึ่ง<ม>ก็เรียกว่าสมุเฉตตาปาหานคลร่รแไดเด็ดขาดมันก็แนวแนวเสตุขาตาวิรัตนั่นแหละแต่เสตุคาตาวิรัตมันพูดเป็นกรณีกรณีไป สมุทเทตาปหานนี่หมายความมาก็ละกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือละแล้วไม่กำเริบขึ้นมาอีกภายในจิตใจตรงนี้ก็เข้าสู่กระแสนันแหละกระแสพระอราหันต์ไปแล้วกระแสพระรยบุคคลไปแล้วทีนี้ถ้าหากว่าการปฏิบัติไปอย่างเนี้ยมาถึงจุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันข้อแรกกับข้อที่สองเนี่ย มันอาจจะมีในการมาเป็นตบาบะของนักบวชนอกศาสนาทีแ น, นววิคิมบิคิคำปะหน้าปะหานี่คือการละได้เด็ดขาดอย่าลืมว่าไม่ใช่การละโดยการข่มไว้โดยสยบไว้โดยสยึ่งงบไว้เนี่ยมันไปได้ไกลยางไงนเนยไปถึงแนวสัญญานานสัญญายัตนะทีเดียว เราสังเกตว่าพระสูตรพวกนี้พระสูตรปกตคณิกายเนี่ยมันจะเป็นการถกเถียงอภิปรายเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนากันมากตั้งแต่โน้รนมาและตั้งแต่พรหมชาและสูตรมาก็จะมีการถกเถียงมีการอภิปรายในเรื่องหล่นั้นเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงค่อนข้างยาก แต่ว่าในสูตรต่อไปนี่อาจจะลึกซึ้งกว่านี้นะฮะปุถัมปทัสสูตรนี่อาจจะลึกซึ้งกว่านี้แต่ก็ยังไงก็ตามก็นึกว่าจะเอาสีละขันธวัตเนี่ยในช่วงสุดท้ายให้จบแล้วค่อยไปขึ้นนิกายอื่นทีนี้พูดถึงว่าอพิรัตเหล่านี้มันไม่มีแก่ แก่ผู้อื่นด้วยอํานาจแห่งสมาบัติแปดและด้วยอํานาจแห่งด้วยอํานาจเพียงวิปัสสนาหมายความว่าถ้าไปได้เนี่ยมันก็ไประดับสมาบัติแปดสมาบปก็คือรูปปรฌานสี่รูปปฌานสี่ไปได้พวกนี้ไม่ติทั้งนั้นนะคือไม่ติทั้งนั้นแสดงว่าแนวตัฐทางก้าปะหานกับแนววิคขำปะนาปะหานเนี่ย ไม่ติทจริงเมื่อน้อยแหละต้องเป็นแนวศีลมาก็พูดในประเด็นรวมๆก็คือกิเลสมันลดธรรมะมันเพิ่มก็ถือว่าถูกต้องด้วยกันเท่านั้นแต่พอวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่มันไม่เบียร์เป็นปาหาหน่าทั้งสามประการก็คือสมุจเฉตะปะหานสมุจเฉตะปะหานปัสสติ ป, ะ, ปะหานที่รณะปะหานนี่มันไม่มี ในลัฐที่อื่นเพราะว่าละกิเลสได้เด็ดขาดนะฮะลากิเลสได้เด็ดขาดพอละกิเลสได้เด็ดขาดตั้งแต่ชั้นแรกไปมันก็เป็นพระญราบุคคลไปแล้วทาราได้มันก็เป็นพระรญยบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วประคําสอนในนิกายเราอื่นในสมัยนั้นมันไม่มีแล้วแม้ในสมัยนี้ก็ไม่มีนะฮะถ้าหากว่าเขาไม่เอาจากพระพุทธศาสนาไปาเอาไปก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไร ขออนุทนามันก็ช่วยให้โลกมันเกิดสันติมากขึ้นคิดแล้วก็ท่านก็บอกถึงสังวรสังวรหนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันหมายความว่าระดับแรกก็คือเป็นสีราสังวรสีตาสังวรบางอย่างนี่อาจจะมีได้แต่ว่าระดับสีห้านี่มันไม่มีระดับศีห้ามันไม่มี อินเสียสังวรยิงลึกซึ้งที่จริงมีบ้างเราก็ต้องยอมรับเขาว่ามีบ้างเพียงแต่ว่าเป็นการสํารวมระวังแล้วเนี่มันจะไปติดอยู่ในที่ใดทิศหนึ่งทีนี้พอมาถึงคันติสังวรท่านก็เข้าทีนะสันติสังวรเนี่ยที่จริงท่านก็มีขันติแต่ว่าเป็นนันมากมันอดทนเรื่องที่ไม่ควรแกการอดทน ไม่ดทนในเรื่องที่ควรแก่การอดทนญาณสังวรยิงยิงไม่ไหวเลยนะไม่ถึงครับวิทยาสังวรก็พอมีนะวิทยาสังวนรนี่พอมีแต่ระดับญายาใสังวรนี่ไม่มีคือสังวรที่มันเกิดขึ้นจากตัวความรู้ตัวยาแล้วก็ต้องไปถึงโน้นแหละไปถึงยอย่างน้อยก็ระดับปรสบธรรบัณฑ์ แล้วท่านก็บอกว่าในสังวรเหล่านั้นเพียงแต่สีนหน้านและเพียงแต่อธิวาสนาขันติย่อมมีแก่คนอื่นสามอย่างนะมีมีแก่คนอื่นที่เหลือก็ไม่มีไม่มีด้วยประการตั้งปวงว่าที่เหลือเป็นอะไรล่ะเป็นยาณสังวรเป็นสติสังวรเป็นบุริยสังวร พระวิิยานั้นหมายถึงว่าต้องป้องกันบาปละ บ, บาปและเจริญกุศลแล้วก็รักษากุศลตาระดับนั้นมันก็พูดยากที่ก็เป็นนัยยะที่สรุปมาจากประเด็นนั้นแล้วก็บางตอนก็ขยายออกไปเพื่อให้เห็นภาพของพระพุทธศาสนาชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ติการบำเพ็ญความดีทุกๆอย่าง ดีก็ดีด้วยกันก็มีไม่ดีด้วยกันก็มีหรือว่าบางทีเราว่าดีเขาว่าไม่ดีก็มีก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรงละนี่แสดงให้เห็นถึงว่าพระปัญญาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือรู้จริงอ่ะพูดง่ายว่ารู้จริงมีใจปรีพระไทยที่บริสุทธิ์จริงแล้วก็มีความการุณาจริงๆทั้งฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงครั้นี้ ที่สุดนี้ข้อความจเจริญงอองามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี